ในการนั้นพระเจ้าโปละชนกราชไม่มีพระโอรสมีแต่พระธิดาองค์หนึ่งพระนามว่าศีวลีเทวีเป็นหญิงฉลาดเฉียบแหลมอมาตย์ทั้งหลายได้ทูลถามพระเจ้าโปละชนกราชเมื่อบรรทมอยู่บนพระแท่นมรณะมันจะอาจว่าข้าแต่พระมหาราชเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วเราข้าพระบาทจะถวายราชสมบัติแก่ใคร ราชาตรัสว่าท่านทั้งหลายจงมอบราชสมบัติให้แก่ท่านที่สามารถยังศีวลีเทวีธิดาของเราให้ยินดีหรือผู้ใดรู้หัวนอนแห่งบาลังสี่เหลี่ยมหรือผู้ใดอาจยกสหัสสถามัทนาขึ้นได้หรือผู้ใดอาจนําขุมทรัพย์ใหญ่สิหกแห่งออกมาได้ท่านทั้งหลายจงมอบพราชสมบัติให้แก่ผู้นั้น มรรมทั้งหลายกราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดตรัสอุทานปัญหาแห่งคุ้มรัพย์เหล่านั้นแก่พวกข้าพระองค์เถิดพระราชาจึงตรัสอุทานปัญหาของสิ่งอื่นๆพร้อมกับคุ้มรัพย์ทั้งหลายไว้ว่าคุ้มรัพย์ใหญ่สิบหกคุ้มเหล่านี้คือคุ้มรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นคุ้มรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตกคุ้มรัพย์ภายในคุ้มรัพย์ภายนอก ปุ่มรับไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอกปุมมรับขาขึ้นปุมมรับขาลงปุ่มรับที่ไม้รังใหญ่ทั้งสี่ปุมมรับในที่ยอดหนึ่งโดยรอบปุมมรับใหญ่ที่ปลายงาทั้งสองุอ่มรับที่ปลายขนหางปุมมรับในน้ำปุมมรับที่ยอดไม้และธนูหนักพันหนึ่งบรลลังสี่เหลี่ยมและยังศรีวลีราชเทวีให้ยินดี เมื่อพระเจ้าโปรลชนกกราสวรรคตถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแล้วอมาตะทั้งหลายได้ประชุมปรึกษากันในวันที่เจ็ดถึงเรื่องที่พระราชาตรัสไว้ว่าให้มอบราชาสมบัติแก่ท่านที่สามารถให้พระธิดาของพระองค์ยินดีก็ใครเล่าจะสามารถให้พระราชธิดานั้นยินดีอมตเหล่านั้นเห็นกันว่า เสนาบดีเป็นผู้สนิทชิดแห่งพระราชาจักสามารถจึงส่งข่าวให้เสนาบดีนั้นทราบเสนาบดีนั้นได้ฟังข่าวรับแล้วไปสู่ประตูพระราชวังเพื่อต้องการราชสมบัติให้ทูลความที่ตนมาแด่พระราชธิดาพระราชธิดาทรงทราบว่าเสนาบดีนั้นมาหวังจะทรงทดลองเสนาบดีว่าจะมีปัญญาทรงสิริแห่งสเสวตชัติหรือไม่ จึงรับสั่งว่าจงมาโดยเร็วเสนาบดีได้ฟังข่าวนั้นแล้วประสงค์จะให้พระราชธิดาปโปรดปราณจึงไปโดยเร็วตั้งแต่เชิงบันไดไปยืนอยู่ที่ใกล้พระราชธิดาลำดับนั้นพระราชธิดาเมื่อจะทรงทดลองเสนาบดีนั้นจึงตรัสสั่งว่าจงวิ่งไปโดยเร็วในพระตำหนักเสนาบดีคิดว่า จากยังพระราชธิดาให้ยินดีจึงวิ่งไปโดยเร็วพระราชธิดารับสั่งเกษตนาบดีว่าจงมาอีกเตนาบดีก็มาโดยเร็วอีกพระราชธิดาทรงทราบว่าเตนาบดีนั้นหาปัญญามิได้จึงตรัสว่าจงมานวดเท้าของเราเตนาบดีก็นั่งลงนวดพระบาทของพระราชธิดาเพื่อให้ทรงโปรดปรานลำดับนั้น พระราชธิดาก็ถีบเสนาบดีนั้นที่อกให้ล้มไงยแล้วประทานสัญญาแกนางข้าหลวงทั้งหลายด้วยพระดำรัสว่าพวกเจ้าจงตีบุรุษไร้ปัญญาอันพานคนนี้ลากคอออกไปเสียนางข้าหลวงทั้งหลายก็ทำตามรับสั่งเสนาบดีเมื่อถูกเขาถามว่าเป็นอย่างไรท่านเสนาบดีก็ตอบว่าพวกท่านอย่าถามเลย พระราชธิดานี้ไม่ใช่หญิงมนุษย์จักเป็นยักษิศีแต่นั้นอมาตผู้รักษาคลังไปเพื่อให้พระราชธิดาทรงยินดีพระราชธิดาก็ให้ได้รับความอับอายขายหน้าเช่นเดียวกับเสนาบดีพระราชธิดาได้ยังชนทั้งปวงคือเศรษฐีเจ้าพนักงานเชิญเครื่องสูงเจ้าพนักงานเชิญพระแสงดาบให้ได้รับความอับอายขายหน้าเหมือนกัน ครั้งนั้นมหาชนปรึกษากันแล้วกล่าวว่าไม่มีผู้สามารถให้พระราชธิดาโปรดปรานท่านทั้งหลายจงมอบราชสมบัติแก่ผู้สามารถยกธนูที่มีน้ำหนักหนึ่งพันปันละใครใคก็ไม่สามารถจะยกธนูนั้นขึ้นแต่นั้นมหาชนจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงมอบราชสมบัติแก่ผู้รู้จักหัวนอนแห่งบาลังสี่เหลี่ยมก็ไม่มีใครรู้จักอีก แ่นั้นมหาชนจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงมอบราชสมบัติแก่ผู้สามารถนำคุมทรัพย์สบหแห่งออกมาได้ก็ไม่มีใครสามารถอีกแต่นั้นเสนาอมาร์ทั้งหลายปรึกษากันว่าเราทั้งหลายไม่อาจรักษาแว่นแควน้นที่หาพระราชามิได้ไว้จะพึงทำอย่างไรกันหนอลำดับนั้นอุโรหิต จ, จึงกล่าวกับเสนาอมาร์เหล่านั้นว่า พวกท่านอย่าวิตกเลยควรจะปล่อยบุษรยรถไปเพราะพระราชาที่เชิญเสด็จมาได้ด้วยบุษรยรถเป็นผู้สามารถครองราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้นเหล่าเสนาอมาตต์ต่างเห็นพร้อมกันจึงให้ตกแต่งพระนครแล้วให้เทียมม้าสี่ตัวมีสีดุดดอกกุมุตในราชรถอันเป็นมงคลลาดเครื่องลาดอันวิจิตรเบื้องบน ให้ประดิษฐานเบญจราชกะกุทธพันธ์แวดล้อมด้วยจัตุรงคเสนาชนทั้งหลายประโคมเครื่องดนตรีข้างหน้าราชรถที่พระราชาเป็นเจ้าของประโคมเบื้องหลังราชรถที่ไม่มีเจ้าของเพราะฉะนั้นปุโรหิต จ, จึงกล่าวว่าพวกท่านจงประโคมดนตรีทั้งปวงเบื้องหลังราชรถแล้วรถสายหนังเชือกแอกปะตัก ด้วยพระเต้าทองคำแล้วสั่งราชรถว่าผู้ใดมีบุญที่จะได้ครองราชสมบัติท่านจงไปสู่สำนักของผู้นั้นแล้วปล่อยราชรถนั่นไปลำดับนั้นราชรถก็ทำประทักษิณพระราชนิเวศแล้วขึ้นสู่ถนนใหญ่แล่นไปโดยเร็วจนทั้งหลายมีเสนาบดีเป็นต้นนึกหวังว่าขอบุตรยรถจงมาสู่สำนักเรา รถนั้นแล่นล่วงเลยเคหสถานของชนทั้งปวงไปทำประทักษินพระนครแล้วออกทางประตูด้านตะวันออกบ่ายหน้าตรงไปอุทยานครั้งนั้นชนทั้งหลายเห็นราชรถแล่นไปโดยเร็วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงยังราชรถนั้นให้กลับอุโรหิตห้ามว่าอย่าให้กลับเลยถึงแล่นไปสิ้นหนึ่งรยโยธก็อย่าให้กลับ รถเข้าไปสู่อุทยานทำประทักษิณแผ่นศิลามงคลแล้วหยุดอยู่เตรียมรับเสด็จขึ้นอุโรหิตเห็นพระมหาสัตว์บรรทมอยู่จึงเรียกเหล่าอมาร์มากล่าวว่าท่านผู้หนึ่งนอนบนแผ่นศิลามงคลปรากฏอยู่แต่ว่าพวกเรายังไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นจะมีปัญญาสมควรแก่เสวตาชัดหรือไม่มีถ้าว่าท่านมีปัญญาจกไม่ลุกขึ้นจกไม่แลดู ถ้าเป็นคนกาลกันนีจะกกลัวจกตกใจลุกขึ้นสะทกสะทานแลดูแล้วหนีไปท่านทั้งหลายจงประโคมดนตรีขึ้นทั้งหมดโดยเร็วชนทั้งปวงก็ประโคมดนตรีเป็นร้อยรอยขึ้นขณะนั้นเสียงของดนตรีเหล่านั้นได้เป็นเหมือนกึกก้องไปทั่วท้องสาครพระมหาสัตว์ตื่นบรรทมด้วยเสียงนั้นเปิดพระเสียรทอดพระเนตรเห็นมหาชนแล้ว ตรงดำริว่าสเสวตฉชัรมาถึงเราดังนี้แล้วคลุมพระเศียรเสียอีกลิขพระองค์บัรทมข้างซ้ายปุโรหิตเปิดพระบาทแห่งพระมหาสัตว์ตรวจ ด, ดูพระลักษณะแล้วกล่าวว่าอย่าว่าแต่ทวีปหนึ่งนี้เท่านั้นเลยท่านผู้นี้สามารถครองราชสมบัติในมหาทวีปทั้งสี่ได้กล่าวฉะนนั้นแล้วให้ประโคมดนตรีอีก ลำดับนั้นพระมหาสัตว์ทรงเปิดพระพักอีกพลิกพระองค์บรรทมข้างขวาทอดพระเนตรมหาชนปุโรหิตให้บริษัทถอยออกไปแล้วประคองอัญชลีก้มหน้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพขอได้โปรดเสด็จลุกขึ้นเถิดราชสมบัติมาถึงพระองค์แล้วลำดับนั้นพระมหาสัตว์ตรัสถอมปุโรหิตว่า พระราชาของพวกท่านเสด็จไปไหนพรันปุโรหิตกราบทูลว่าเสด็จสวรรคตจึงตรัสถามว่าพระราชาโอรสหรือพระราชาพาดาของพระราชานั้นไม่มีหรือปุโรหิตกราบทูลว่าไม่มีพระเจ้าข่ามีแต่พระราชธิดาองค์หนึ่งลําดับนั้นพระมหาสัตว์ทรงสดับคําของปุโรหิตนั้นแล้วจึงรับสั่งว่า ถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเราจักครองราชสมบัติรัชนีแล้วสเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งโดยบลังณแผ่นมงคลศิลาตอนนั้นชนทั้งหลายมีอมาตย์และปุโรหิตเป็นต้นก็ถวายอภิเศกพระมหาสัตว์ณสถานที่นั้นทีเดียวพระมหาสัตว์นั้นได้ทรงพระนามว่ามหาชนกกราชพระองค์สเสด็จขึ้นสู่ราชรถอันประเสริฐเข้าพระนคร ด้วยสิริราชสมบัติอันสิริโสภาคใหญ่ขึ้นสู่พระราชนิเวศจงพิจารณาแต่งตั้งว่าตำแหน่งนั้นๆจงมีแก่ชนนั้นๆมีเสนาบดีเป็นต้นแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งข้างใน